وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَ ا ل َ ن ْ تُخْلَفَ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظ َ ل ْ ت َ عَلَيْهِ ع َ ا ك ِ ف َ ا แล้วนูพบรักนั้น ه ขาซึ่มแล้วนั้นสิฟนั้น ي ขาฟิลยามนฟอนลุ และไม่ละอิลล่าอิลล่าห์ว่าสิ่งทุกสิ่ง ทู ي ัลัยกะมิ م อัมบะอิมาขดะ ساب าะและขดะอัตยินากาหมิดุนนาฎิ من أ ع ر ض عنه ف إ ن ه يحمل يوم القيامة و ز ر ا ออวายลพาีดหลนาีดยิาวนาะายอิะลิะาลอในะลกีาาลาาะลิ สู่รีวะ م ะผู้ชุลผู้มุจ ي ีนาเยาว์มาอิลิ้นซุรกาอ ا ลลอฮฺอัลลอฮ م อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ و ش ر ّ الله إله إلا الله وحده لا شريك له و ش ه د أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإلا كن نشور أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق ب ิ سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول السلام عليكم ورحمة الله و ب ا ت ه ي نانكي ร่วมน้ำต ah, ์ซุบฮ์ร่วมน้ำต์ประจันทิรักุลัยกับอัลฮัมดุลิลลา เราขอบคุณอัลลอ์นะครับขอบคุณอัลลอ์มากๆที่อัลลอฮ์ให้เราน อ, นอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราได้ตื่นขึ้นมาการนอนหลับเป็นการเตือนให้เรานึกถึงความตายนะครับคนนอนกับคนตายนะเหมือนกันนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาท่านพี่น้อง ้องอ่านดูอาบนที่นอนก็คืออัลฮัมด ill ah am ุลิลลาฮิลลาีอาหยานะบาดามาอามะตานะวาอิไลฮินอูชูรที่ท่านนาบีสอนบอกว่ า, วาที่ช้ยตอเ น, นี่ยมันผูกปมเอาไว้นะสามปมตอนเรานอนเนี่ยนะละปมที่หนึ่งเนี่ยหลุดด้วยดูอาที่เราอ่านปมที่สองหลุดตอนเราอาบน้ำน้มาละปมที่สามหลุดตอนที่เราเข้ายืนที่เสือนมา เป็นความลับที่อัลลอฮ์แจ้งผ่านท่านนาบีให้รับรู้เอาไว้นี่ถ้า น, นาบีถ้า น, นาบีไม่มาเราไม่รู้เลยว่าเอความลับนี่ยมีอะไรบ้างที่ Allah อัลลอฮ์เผยให้เรารู้นี่เป็นความลับไม่มีใครรู้ครับท่านคนที่มาใช่มุสลิมเนี่ยมัมีโอกาสได้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยถูกไซตตอนถูกไวนะ้จะแก้อย่างไรนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราได้อ่านทบทวนกุรอาน สุรตต์ฮาเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการอธิบายนะครับเรื่องของนบีมูซากับซามิรีนะครับนบีมูซากับซามิรีเนี่ยชื่อเหมือนกันมูซาก็ชื่อมูซาซามิรีนะชื่อเดิมชื่อมูซาบินวาฟัรนะครับแต่ชาวบ้านเรียกกันซามิรีซามิรีเนี่ย ชือมูซาเนี่ยใครเป็นคนเลี้ยงรู้เปล่ารอบบ้าฮุยบรีลผู้ที่เลี้ยงซามีรี่เนี่ยชื่อมูซานี่นะที่ภูเขาเนี่ยยิบรีลลงมาเอาอาหารมาให้ทุกวันเหมือนกับว่ามูซาคนนี้ใครเลี้ยงนะยิบรีลเลี้ยงแต่ว่าเป็นกาเฝร์ส่วนนบีมูซาจริงๆนั้นเฟื่องอุนเลี้ยงเฟื่อุ่นกับคนชั่วเลี้ยงแต่กลายเป็นนบีของอัลลอฮ์ไป น่าคิดนะวันนี้กำลังจะพูดถึงเรื่องซามิรีมูซาที่ชื่อว่ามูซาบิงัวฟัดนะชาวบ้านเรียกว่าซามิรีในกุนอ่านเรียกว่าซามิรีก่อนหนะ้าที่จะอ่านอาย่านี้นะครับอายาที่96มูซาถามทีแรกก็ถามนบีฮารูน ลราเอามือจับเขานาบีฮารูลแล้วก็จับผมนบีฮารูกระชากแรงๆนบีมูซามโมโหไม่พอใจที่ทำไมปล่อยให้พวกบันิอิสรอีนข้ามน้ำข้ามทะเลมานาบีขึ้นไปรับวะฮีแค่4ี่สิบวันนี่ลงมาพวกนี้กลาบลูกวัวกันแล้วนบีมูซาไม่พอใจเลยก็โกรธกระชากเขานี่แสดงว่าบรรดานาบีทุกคนมีเข่า น่เป็นเรื่องน่าคิดหมดเลยนะแล้วก็มีผมมีเรามีผมทีนี้พอจับเรา่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ถามว่าว่ายังไงอ่ะทำไมปล่อยให้พี่น้องเราเนี่ยไปบูชากราบไหว้ลูกวัวทำไมทำไมไม่จัดการไม่ปราบให้มันเรียบร้อยหรือไม่ก็ขึ้นไปหาฉันทั้งบนใช่ไหมขนันจะรีบลงมามาแก้ปัญหานบีมูซาเนี่ยเป็นคนที่ใจเด็ด นะครับส่วนนบีฮารูเนี่ยค่อนข้างจะประนีประนอมเนี่ยผู้นํำมีสองแบบนะแบบหนึ่งก็แรงอีกแบบหนึ่งก็ประนีประนอมเหมือนท่านอบูบากัดราดิญญลอฮ์อันดูประนีประนอมท่านอุมัรรอดิญญลอฮ์งอันดูไม่บรนีประนอมแรงรุน ร, ร, รุอ่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเอาละเอาคนสองคนนี้มาอยู่รวมกันในการเผยแผ่ศาสนาอนทีนี้นบีมูซาเนี่ยเมื่อ เมื่อไปตำหนิพี่ชายตัวเองแล้วก็หันมาตำหนิซามิรีซามิรีคุณทำทำไมคุณเนี่ยทำทำไมไปเอาอะไรนะเครื่องประดับของพวกบรรดาิสราเอลนะมาหลอมเป็นลูกวัวทำไมซามิรีตอบว่าไงรู้ไหมอายาที่แล้วนะอายาที่เก้าสิบหกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่านอีกครั้งหนึ่งก็ละ ซามีรดตอบบอกว่าบอซอตูบิมาลำยาบูรูบิฮีฉันมองเห็นในสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายมองไม่เห็นอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้ตอนที่นบีมูซาข้ามทะเลแล้วก็ฟาโรูมันก็ตามมาใกล้ฉันเห็นยิบรีลอะเยฮิสลามในขี่มา้ามามากั้นระวัง ฟาโร่กับกับนบีมูซายิบรีนขีม่ม้ามาแล้วนะแลรวมากั้นเพื่อไม่ให้ฟาโร่เนี่ยไล่จับนบีมูซาทาันฉันเห็นม้าที่ยิบรีนขี่เนี่ยรุดรู้ได้ยังไงครับเพราะว่าซามซามิรี่คนนี้นะชื่อชื่อมูซาเนี่ยอยู่ที่ภูเขาตอนเล็กๆ ก, ก่อนนี่นะ่ะและยิบรี น, นลงมาเอาอาหารมาให้ทุกวัน มองคุณน่าเออใช่นี่อ่านี่คนนี้แหละที่ขี่ม้ามาวันนั้นน่ะจำได้เลยทีนี้ที่จะเห็นเห็นได้รน่ยเห็นรอยเท้าของม้าที่ยิบรีนขีซึ่งคนอื่นไม่เห็นสามิีดีคนนี้ก็เลยไปเอาดินมาก้อนหนึ่งฟากอบัดตูกอบบอตามินอาสาริโรซูนฉันก็ไปเก็บนะครับ เอามากามือหนึ่งจากการรมือซึ่งเป็นรอยของรอซูลหมายถึงรอยเท้าที่ยิดบรีนขี่อาเป็นบรารกัด อ, อะไรที่มาจากอรรอเอดีหมดใช่ไหมก็เอาดินมาก้อนหนึ่งถือเอาไว้แล้วก็ห่อเอาไว้เก็บเอาไว้ฟ้านาบาสตูฮาแล้วก็ต่อมาฉันนี่นะได้เอาดินก้อนที่ฉันเก็บมาเนี่ยเอาไม่หลอมพร้อมกับ เพื่อนประดับของพวกบานีอิสรอินที่เขายืมพวกฟาโรมาเนี่ยฉันเอาดินก้อนนี้นะซึ่งเป็นรอยเท้าของม้าที่ยิบรีนขี่เนี่ยผสมลงไปแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอให้วัวอันตัวนี้นี่นะทำเป็นลูกวัวนะพูดได้หรือร้องได้วกาซาลีกาซาวาลัตสลีนักซี และเช่นนั้นแหละจิตใจของฉันได้ทําให้เห็นเป็นความดีงามฉันคิดเองว่าเป็นความดีงามอธิบายอย่างนี้ซาเมรีเนี่ยเป็นตัวแรกเป็นคนแรกที่คิดเรื่องบิดะซาเมรีคนแรกเป็นคิดเรื่องชิริกข้ามน้ําข้ามทะเลกันมาเนี่ยคาสอนของนบีมูซาให้นึกถึงอลัลลอฮ์องเดียว ให้กราบอัลละฮ์องเดียวให้เคารพอัลลอฮ์องเดียวแต่ก็พอข้ามไปมาแล้วเนี่ยช่วงนบีมูซาหายไป40สิวันไปรอรับวาีคัมพิวตรัรอเนี่ยลงมาซามิรีนี่เป็นตัวนำเลยเพราะซามมรีเนี่ยเคยกราบลูกเคยกราบวัวมาก่อนในอดีตแล้วก็มารับนับถือาศาสนาออิสลามพวกพ้อมกับพวกบันีอิสรโอีน ทีนี้พอห่างไปแค่สี่สิบวันนี่หัวใจมันยังนึกอยู่เนี่ยฉันยังเคยกราบลูกวัวมาแล้วเลยก็ผลิตลูกวัวขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเสียงร้องด้วยคือลมเวลาลมเข้าทางทางรทางก้นมาเนี่ยนะแล้ว อ, ออกทางปากมาร้องบอพอร้องบอนี่ประชาชนกราบไปหมดเลยอะวันที่นบีมูซาขึ้นไปบนภูเขาวันนั้นเนี่ยนะไปไดารอบวะฮีเนี่ยมีกลุ่มคนแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยประมาณห น, นึ่งมื่นสองพันคนยืนยัดกับนบีฮะรูนฉันจะพักดีต่ออัลลอฮ์จะกราบอัลลอฮ์อง์เดียวฉันจะไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์อีกสองกลุ่มเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งพูดไปอย่างนี้กลุ่มกลุ่มกลุ่มที่สองนี่ก็เลวนะกลุ่มนี้มีกลุ่มเดียวที่ดีที่สุดจำนวนเท่าไหร่ประมาณหนึ่งหมื่ันคนคนตั้งหลายแสนนะนะอีกสองกลุ่มนี่ขอบูชารูปลูกวัวไปก่อนเหมือนสามิริ ผิดทั้งคู่นี่แหละแต่อีกกลุ่มหนึ่งพูดว่าฉันกลาบจนกว่านาบีมูซาจะมาถ้าบีมูซามามาห้ามฉันก็จะเชื่อนบีมูซาแต่อีกกลุ่มหนึ่งฉันจะบูชารูปลูกวัวต่อไปถึงนบีมูซามาฉันก็ไม่เชื่อเข้าใจนะนี่ไงฉะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องจริงๆมีมัเท่ายเราแต่คนที่หลงๆเนี่เยอะมากวันนี้ก็เหมือนกัน คนที่นับถืออิสลามนี่นะอย่านัที่ยึดซุนน่าจริงๆนี่ไม่เท่าไรหรอกเนีนอกนั้นแหละอัลลอฮฺอัลกบะดอย่างที่ท่นเห็นกันอยู่นี่แหละนะอย่าประจาหนีอะไรเลยนะดูไปกันแล้วกันนะเอาวันนี้มาเจออายาที่9 6 9าสกอก้าเาบลาฟ้าะเหบเฝอินนักกฟิลเฮายต أ ันตะ قولا لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه ونظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا ل نحرقنه ทุมมละลนันซิฟันหูฟิลยัมมนีนั่ฟะเาต่อมาเนี่ยข้อที่97เนี่ยจูน้องดูนะก็ลนะ่ละใครพูดนะนบีมูซาพูดหลังจากซานิรีมันตอบฉันเห็นหนู้นเห็นนี้เห็นทุ่นเอาดงเอาดินจกัมาอธิบายมันมาตามตาใจชอบนลนะนบีมูซาพูดเลย บางตัปซิดอธิบายว่าเป็นการขอดูอาเนี่ยคำพูดของดบีมูซาดังต่อไปนี้เป็นการขอดูอาสาบแช่งให้ลดอะไรนะให้งดความเมตตาขอว่าไงครับฟาดสะับจงออกไปใครพูดนะดะบีมูซาพูดกับซาหมีรีว่าคุณเนี่ยออกไปไปห่างๆไปไกลเลยฟาอินนาลากะฟิลฮายะ การลงโทษสาหรับท่านในชีวิตนี้ฝ่าอินนลกฟิลหายาการลงโทษสำหรับท่านในชีวิตนี้คือคุณทำบาปแล้วทำไรนะสร้างลูกลูกวัวขึ้นมาให้ประชาชนกราบแล้วก็ไปเอาดินก็อนหนึ่งที่คุณว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนี่ใช่ไหมแล้วเอามาผสมกันคิดว่าอลเนี่ยอโลพอใจคุณหลอกชาวบ้านมาตลอดฉะนั้นชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้ไป เป็นการสาบแช่งนะอันตะกูละโดยท่านกล่าวว่าใครพูดนะซาเมรีจะต้องพูดคำนี้ต่อไปตลอดทั้งทั้งชีวิตคุณเลยนะ่ะทั้งชีวิตของคุณคุณก็ต้องพูดคำนี้เวลาเจอใครนะเวลาเจอประชาชนเวลาเจอคนพูดว่างไงลามิซาลามิซาสเสแปลว่า อย่ามาแตะต้องตัวฉันโดนทัชโดนทัมีอย่าแตะต้องตัวฉันนี่คุณจะต้องพูดทานี้เมื่อเห็นหน้าประชาชนตลอดท้งชีวิตของคนบนโลกดุนยาใบนี้เห็นอย่างครับนี่อ่เอาเล่าเล่าให้ฟังนะเรื่องในสมัยในดีมูซาคนที่ทําชั่วทําชิริกทําบิดา ใ น, นสมัยนบีมูซานาบีมูซาประกาศเลยาคุณตั้งแต่วันนี้ไปเห็นหน้าประชาชนคนต้องพูดว่าลามิซัสลามิซัสลามิซัสอย่ามาแตะต้องตัวฉันแล้วก็พูดทุกวันในะันตับซีดบางท่านอนธิบายบอกว่าไม่ใช่พูดเสียงค่อยนะพูดเสียงอะไรดังตะโกเลยเพอเห็นคนลามิซัสลามิซัส ห้ามแตะต้องตัวฉันห้ามแตะต้องตัวฉันนี่บทลงโทษของคนที่ทำชริกบทลงโทษของคนที่ทำบิดาบทลงโทษคือคนสร้างพระเจ้าปลอมขึ้นมาหลอกใช บ, บ้านกราบเป็นอย่างรครับ <c oughs> ในในประวัติของนบีมูซาอะลัยฮิสลามโทษหนักมากในพี่น้องนะบางท่านอธิบายอย่างนี้ใครที่มาแตะตัวมาถูกตัวซาเมรี่นี่ เป็นไข้ในทัฟซีดบางเล่มอธิบายไว้ดีนะไขมาถูกตัวซาเมรี่มาเลยนะไอ้คนที่ถูกตัวนะ่ะเป็นไข้ไข้ขึ้นเลยภาษาอูดูว่างี้อบุคอร์บุบตละโฮจาเต่พอถูกตัวซามมรี่ปั๊บนี่นะเป็นไข้อยู่กับเมียเมียก็เป็นไข่อยู่กับลูกลูกก็เป็นไข่อ่ะอยู่ไข้ตัวพ่อไม่ได้อ่ะนี่เห็นยังอ่ะ ฉะนั้นยังไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ซามียรี่เพราะซามียรี่เป็นหัวหน้าทําบิดอ๊ะเป็นหัวหน้าทําชีริกเป็นหัวหน้าก็พาคนกราบลูกวัวแห็นยังวันนี้คนที่ทําผิดอ๊ะต้องนึกนะฉันนี่นะใครยั ง, ย, งยังถูกตัวได้เนี่ยยังไม่เป็นใครเนี่ยระวังเดี๋ยวอลัลลอฮฺจะจัดการลงโทษคุณในโลกอัลกิร่าก็ได้ พรทาต้องระวังให้ดีอย่าทำบิดาอย่าทำชิริกอย่าทำของที่น บ, บีไม่จะสั่งให้ทำนะครับอัลลอฮ์นี่คุณอ่านใช่ไหมเอาอ่า น, นมาอีกทีนะกอลฟาซาบมูซ า, า, ากล่าวว่ากาโกสามิรีว่าฟาซับคุณน่จงออกไปจากหมู่พวกของเราฟะอินนาลากาฟิลายะเวลาคุณไปพบกับประชาชนนี่นะ สำหรับชีวิตของคุณเนี่ยนะตลอดทั้งชีวิตของคุณบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอันตะกูละให้ท่านกล่าวเวลาพบประชาชนว่ายัางไงลามิซัสอย่ามาแตะต้องตัวฉันว่าอินน่าลากะมาอิาดัลลันตุคลาฟะและการลงโทษต่ตอไปอ้าว่าอินน่าลากะ และการลงโทษต่อไปสำหรับท่านในโลกอาคิร์ะในตพสิอธิบายโลกอาคิร์นะลงลงโทษบนดุญยานี้ยังไม่จบลงโทษโลกอาคิร์ต่อไปลงอะไรครับเมาไอเดนเป็นคำสัญญาลันตุคลาฟ้าที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนลบล้างไม่ได้ตุคลาฟ้าหมายถึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ นบีมูซาขอดุอาอยู่บนดุนยานี้คุณถูกลงโทษจากอัลลอ์คุณพบกับประชาชนคุณแทนได้จะสลามกับเขายิ้มกับเขากคุยกับเขาแต่คุณบอกว่าอย่ามาแตะต้องตัวฉันนี่เป็นการลงโทษไม่ใช่บนดุนยานี้อย่างเดียวนะตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาในโลกอาคีราอคำสัญญาของอัลลอ์อยู่กับคุณลเลี่ยงไม่ได้แน่ คุณจะต้องถูกลงโทษอีกครั้งหนึ่งในโลกอาเคโรหนักกว่าบนโลกดุนยาใบนี้นะครับวอินาาาอานาไลก์เมาไอเดนเมาอิดแปลว่าคำสัญญานะครับที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วกับคุณนั้นลั่นตุกขลาภหูไม่สามารถที่จะลบล้างได้นะครับตกลงว่าคนที่ทำผิดบนโลกดุนยาใบนี้ถ้าไม่เตาบ้าตัว ถูกลงโทษกี่โลกสองโลกหนึ่งโลกดุนยาสองโลกอาคเรอเห็นไหมแสดงว่าเราเนี่ยต้องเชื่ออย่างแน่แน่ว่าตายแล้วต้องฟื้นฟื้นขึ้นมาต้องยืนอยู่ต่อหน้าอาลัลลอฮ์แล้วก็คนที่ทําความผิดเนี่ยจะน้องครับถูกลงโทษบนดุนยาแล้วไม่ยอมเตาบ้าตัวต่อรอตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาถูกลงโทษต่ออีกต้องขอถุงอ้าวต่อรอเยอะๆนะครับอ้าต่อมาครับ วัน ظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقفة วัน ظر แต่ว่าจงไรนะจงดูจงดูดูอะไรอีลาอุนซุตต้องตามตัวอีลาอุนซุตอีลาอีลาฮิกจงดูพระเจ้า พระเจ้าที่ซามมรีสร้างขึ้นมานะเป็นรูปลูกวัวซึ่งเป็นอิลาของท่านาวังรุตอิลาอิลาฮิกะจงดูพระเจ้าที่พระเจ้าทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเป็นรูปลูกวัวนั้นอัลลาฮซอลตะอาดัยฮิกาที่ท่านได้บูชามันกราบมันบูชามัน ยะยะทีกาบเนี่ยแปลว่านั่งอยู่ในมัสยิดใช่ไมนั้นนั่งอยู่เนี่ยเพราะว่าพวกท่านนี้นะไปบูชารูปเจเวตมั่นคงอยู่กับการบูชารูปเจเวต ด, ดูพระเจ้าของคุณต่อไปจะเป็นอะไรเกิดขึ้นลูกวัวที่คุณบูชากันอยู่เนี่ยต่อไปเป็นไงครับซาลาโนฮาริคอนนาฮูแน่นอนเราจะเผามันจะทำลายมันอ่า น บ, บีมูซาพูดว่าไงนะเราจะทำลายมันให้หมดสิ้นต้องการจะอธิบายให้คนที่อ่านคุณอ่านวันนี้ว่าถ้าเห็นของที่เป็นบิดาเห็นของที่เป็นชิริกให้ทำไงให้ทำลายหไหมให้เผามันให้มันเรียบร้อยไปเลยเผามันให้มันหมดหลอมมันให้มันหมดเห็นไหมนี่สอนให้เราคิดนะเห็นคนทำบิดาเนี่ยควรที่จะจัดการ ก็ต้องมีวิธีจัดนะขึ้นแรงๆก็ทะเลาะ ก, กันไม่จบแต่นั่นขอเห็นคนทำบิดอาเห็นคนทำชลิกทำไงนะให้เผามาใั้หมดก็สซาอุดีก็ทำมาแล้วนะเมื่อก่อนเขาทำอะไรอ่ะฮิเดอับอับวะฮับวาฮบีบวาฮ บ, บีคนนี้ที่ถูกที่ถูกตาหนะ้าว่าเป็นวาบีอ่ะก็ไปทำลายกูโบร่วมกันกับกษัตริย์ อิบเนาะอูดสองคนเนี่ยรวมกันทําลายของที่เป็นบิดาที่ซาอุดิอราระเบียไอ้คนที่เสียประโยชน์น่ยคือฝรั่งเสียประโยชน์มากเลยก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นวาฮาบีใช่ไหมถามว่าวาฮาบีก็าทำอะไรผิดหรือเปล่าเขาปราบชิริกปราบบิดาไอ้คนที่ถูกปราบเนี่ยมันก็โมโหไม่พอใจเลยถูกดา่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ร้อยกว่าปีแล้ว แค่นั้นที่เขาทำมาถูกไหมถูกตามอาย่านี้เลยไงถ้าหากว่าจงบูนะพระเจ้าของคุณที่คุณบูชาอยู่นั้นเราจะลานุฮรริกร น, นาหูเราจะเผามันนะซุมมาลานันสิฟันนาหูและเราจะปโปรยมันลงในฟิลยัมมิในทะเลเผามัน แล้วก็เอาขี้เท่ามาเนี่ยไปโปรในทะเลให้หมดหมายถึงทําลายทันมาราบขาบไปเลยอย่าให้หลงเหลืออยู่เลยนี่พะพูดอย่างนี้คนพี่น้องโปสต์เกียช่างโมโหแล้วแหละดูสิมันทําลายขึย้นแลในอินเดียนี่เยอะมากเลยพวกกาบว่ายกูโบเนี่ยทําลายไม่ได้แต่เอิทธิพลเยอะทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมอ่านี่ต่กุรอานสั่งให้ทําลายใช่ไหมต่อมาครับนัสฟา ทำลายโดยโปรยมันลงในทะเลให้กระจายไปว่อนเต็มทะเลไปหมดแล้วจ้ต้องหาอะไรนะหาเศษไม่เจอหาหาอะไรหาต้นต่อไม่เจอนี่แสดงให้เห็นว่าการที่มีคนทำอะไรผิดในหมู่บ้านในประเทศในจังหวัดใดก็ตามเป็นบินอา ก, กับชีวิตเนี่ยพยายามปราบให้ให้มันหมดไปอย่าให้มันหลงเหลืออยู่ถ้าอย่างนั้นลูกหลานเราเสียหายหมดเลยนะครับ Dul อัลฮัมดุลิลละลามิซาจแปลว่าไรนะอย่ามาแตะต้องตัวฉันอัลลอฮฺตัฟซีดอธิบายดีนะพอแตะต้องตัวตัวซาเมริเป็นไข้รวมไปถึงลูกเมียตัวเองก็ไม่กล้าแตะต้องพ่อแตะต้องเป็นไข้ก็ต้องเป็นไข้แต่ตัวเองเราต้องพูดนะอย่ามาแตะต้องตัวฉันอย่ามาแตะต้องตัวฉันไม่ใช่พูดธรรมดานะตะโกนเสียงดังๆเลยนี่โทษของคนที่ทําบิดอากกร์กับทาซิริกนะครับ Illah, อ, อัลฮัมดุลิลลาพีโนอาตตอมาครับอายาที่เท่าไรนะายาที่เก้าสิบแปดอินน um ่าอิลลฮูกุมุลนี่คำตอบที่ถูกต้องพระเจ้าอยู่ที่ไหนนี่คือคำตอบจากกุรานพระเจ้าลูกวัวนั้นไม่ใช่รูปเจ้าเวทไม่ใช่ศิบุคุณสร้างขึ้นมาไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงอายา t นี้ครับ อินนามอิลลัฮูกุมุลลอฮจงรู้ไว้เถิดอินนามนี่นะอิลลัฮูกุมพระเจ้าของสูเจ้านั้นคืออัลลอฮ์อ่าอิลลัฮูกุมอัลลอฮ์พระเจ้าของสูเจ้าทั้งหมดนั้นคืออัลลอฮ์อัลลอีลาอิลลาห์อิลลาห์ ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียววสิวสกุลลชัยอินอิลมาวิแปลว่าแปลว่าแผ่กว้างพระองค์เนี่ยทรงแผ่กว้างกุลลชัยอินทุกสิ่งทุกอย่างอิลมาแปลว่าความรู้ พระองค์นเนี่ยทรงล้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในความรู้ของพระองค์อัลลอฮ์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นี่เป็นซี fatt หนึ่งของอัลลาาอฮ์ سبحانه และก็ัลละฉะนั้นพระเจ้าที่คุณบูชายอยู่ในซามีรีนะไม่ใช่นะพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์อัลละ์ อ, ลลอยู่ที่ไหนครับก็อียาูซีมีงนะ่ะอัลลอฮฺอูลอีลาอิลลาหฺอูบัลฮยุลกัยยุมลาตักฮุซุฮซินะตุวะลาาม له ما في السماوات وما في الأرض من ذلّي ي ش ف َ عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه ما วะฮุบานะลียุลลาฮมนี่เราอ่านอียาโคเซ่ก il um. ันทุววันแปะได้หรือเปล่าเอาไปะให้ฟังเล็กน้อยนะอัลลลาอีลาฮิลลาหุบุลไหฺุลกไยฺุมอัลลอฮ์มีองเดียวนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ฮุลไหแต่ว่าอัลลอฮ์มีชีวิตอยู่เสมอ อัลกัยยุมดารงด้วยพระองค์เองไม่ต้องพึ่งใครลาตะคูรูซีนาตุนวาลาเนาซินาประวัตการง่วงนอนนาวมณ์การนอนการนอนกับการง่วงนอนไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ถึงอัลลอฮ์เรานี่มีมีข้อตัวอย่างใช่ไหมง่วงก็มีนอนก็มีแค่ตื่นตีนสีนก็นแย่แล้วใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่ง่วงนอนจะอัลลอฮ์ไม่นอน ลาหูมาฟิสมาวาติวัลลอสิงที่อยู่ในชั้นฟ้าและอยู่ในแผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์อัลล์เป็นเจ้าของอัลลอ์เรามีที่อยู่งานนึ่งก็ดีใจแล้วแต่อัลลว่์ทั้งหมดแผ่นดินชั้นฟ้าของฉันเรากล้าคุยวหาอัลลอฮ์นี่เมียคนเดียวอัลลอฮ์ลูกสองคนแย่ yeah, แล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้ว อัลลอฮฺว่าฉันรับผิดชอบมนุษย์ทั้งหมด 7,000 ล้านอะทำอย่างนี้แหละเอาต่อมามันลลาริยาชฟาวอินดะฮูอิลลาบิอิสเนผู้ใดเล่าเนี่ยเราถามนะผู้ใดเล่าจะถ่ายแทนแทนกันต่อหน้าอัลลอฮฺได้เว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์พูดถึงวันวันกิยามานุนใครจะมาถ่ายแทนกันได้อากคุณีตกนรกในช่วยหน่อยได้ไหม มันรุเนี่ยช่วยกันได้ไหมเคยไม่ได้ต้องฉันคนเดียวสอนให้นึกจะได้อายาตูซีถวายนึกถึงบัรรดายมาดด้วยนึกถึง AH อ, อัลลอฮ์เยอะเอาต่อมาครับยาละโมมาใบนะไอดีหมวมาคอนฟะฮุมอลัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าแล้วก็หัมาคอนฟะฮุมในสิ่งที่อยู่ลับหลัง ตอนหน้ า, าบหลังข้างหน้าข้างหลังอัลลา์รู้หมดแต่เราไม่รู้อ่ะข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะรู้ไหมไม่รู้แต่อ AH ัลลอฮ์สัฮรู้หมดแล้วออาต่อมาครับเวลายู่ใตูนบิชัยอิมินอิลนี่อิลลาบิมาชะแล้วก็ไม่มีอะไรแปลว่าอะไรนะพวกเขาไม่ได้ล้อมรอบสิ่งใด คือไม่ไม่ได้เข้าไปรับรู้สิ่งใดที่อัลลอฮ์สร้างมาเว้นแต่ตามที่พระองค์งทร ง, งประสงค์คือเราเนี่ยรู้ไปบางเรื่องที่อัลลอฮ์ให้รู้ด้วยนั้นเองแตยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนนอนเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้รู้นะว่าชายตอนมันผูกปมสามปมวิธีที่จะแก้ปมสามปมหนึ่งให้อ่านดุอาศสองให้อาบน้ําน้ำมาศสามให้มาน้ำมาศ น, น, นี่อัลลอฮ์ให้เรารู้ยล้นอกจากนั้นอะไร ที่เราไม่รู้อือาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนอนอยู่ในกูโบอลัลลอฮ์จะสอบกีเรื่องอลัลลอฮ์เล่าให้รู้เป็นบางเรื่องนะฉันจะสอบเรื่องเนี่ยเรื่องนมาดเรื่องยืนชีไม่ล้างล้างไม่สะอาดเรื่องลิ้นทาปากเสียพวกนี้ยฉันจะสอบในวันในในในกูโบนี่เป็นความลับที่อลัลลอฮ์เผยให้รู้เป็นบางเรื่องตรงนั้นเองเอา้าวขึ้นบนชัฟ้าเนี่ยบัลลังอลัลลอฮ์เนี่ยกับแผ่นดินเนี่ย ถ้าชายคนขึ้นเนี่ยนะชายเวลาขาขึ้นห้าร้อยปีลงอีห้าร้อยปีเท่าไรพันปีเนี่ยอ้ลนเล่าให้รูเป็เล็กๆหน่อ้ว่าเสียเก้าอียยูุสซามาวาติวัลอาร์เป๊ะไว้นะเก้าอี้ของอัลลอฮ์บาลังของอัลลอฮ์นั้นมีความกว้างใหญ่เท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์เวลายาดูดูฮิฟซูหูมาแล้วอัลลอฮ์ไม่เหนื่อยนะครับ แกพระองค์ที่จะรักษามันเนี่ยชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยถ้าว่าเหนื่อยแม่ดูแลเนี่ยไม่ได้เหนื่อยเล็กนิดนึงแต่ว่าเนี่ยร้อนเล่าให้ฟังเองเลยครับวะฮุวาลัยยุลอาซิมอัลลอฮ์ผู้ทรงอาลีทรงสูงทรงอาซิมแปลว่าผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่เป็นสิ่งพัของอัลลอฮ์แล้วคนที่อ่านอิยาตูร์ซีนี่เป็นองครับเพื่ออธิบายยานี้อินนามอิลลัฮุมุลลอฮอัลลดีลาอิลาห์อิลาหฺ ว่สอากุลและชัยอินอหลมันคือคนที่อ่านอัจฉริย์ก่อนนอนรู้ไม่ได้อะไรอัลลอฮฺจะคุ้มครองตัวคนอ่านเองคุ้มครองบ้านของคนอ่านคุ้มครองลูกๆและห ล, ล, ลานที่น้องอยู่ในบ้านด้วยแล้วคุ้มครองเพื่อนบ้านอีกสองสามหลังไม่รูกี่หลังนะเพื่อนบ้านอีกอัลฮัมดุลิลลาฮฺเห็นไหมยังครับ แล้วใครที่อ่านอายาคุศีหลังจากนมาศฟันดูทุกครั้งพัดูมีอยู่ห้าใช่ไหมพออ่านพออัซุบฮานอัลลอฮ์จบแล้วก็อาลตามด้วยอัลลอฮูเลอิละอิลลาห์อัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์พอตายปั๊บเดี๋ไปสวรรค์เลยเย้าใจมครับนี่คําพูดของท่านมาดูสอนอว่าจะเป็นเอาละต่อมาอายาที่เก้าสิบเก้า แล้วก่อนอีกข้อที่สิหนึ่ง บ, บีสุลว่าใครที่ท่องจำอายะซีฟัดอัลลอฮ์ทายนะ99พระนามเขาได้ไปสวรรค์มีคนท่องกี่คนในเรื่องง่ายๆเลยนะ99พระนามเนะี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขามีเพลงให้ร้องเนี่ยน ะ, ะทําอยู่แล้วก็โอเด็กรุ่นใหมย่ยัท่องได้นะผู้ใหญ่รุ่นเราไม่ค่อยได้นะเอาไม่เป็ไรคนที่ท่องได้มีไหมมีครับเอาตัวมาอายะที่99 كذلك نقص عليك من أ ب ا ِ ما قد سبق و قد آ ت ي ن ا ك من لا د ُ ن ذ ك ر ا كذلك نقص عليك من أ ب ا ِ ما قد سبق ว่าก็ดาใจนากามิลาดุนนะวิครอการะล็กแปลว่าในทํานองนี้แหละในทํานองเดียวกันนกุสวาไลกาเนีอ ok ัลลอฮ์เล่านะเราได้บอกเล่ากสอยากกุสุเราได้เล่าอาไลกะให้แกนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์เล่าเองนะฉันนี่นะเล่า เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังโดยผ่านวาฮีผ่านท่านยิบรีนเนี่ยเอากุรานเลื่มนี้นะลงมานะครับทีละอายะบ้างทีละซูรับ้างใช่ไหมผ่านท่านยิบรีนเล่าเรื่องอะไรครับมินอัมบะอัมบะแปลว่าข่าวเรื่องราวข่าวข่าวพี่น้องมากรดซาบะก์ข่าวข่าวที่ได้เกิดขึ้นมาในอดีตเล่าให้นบีฟัง คมดูลิลลาแสดงว่านบีเนื้อรู้ประวัติศาสตร์ของอดีตอย่างดีเพราะอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังผ่านท่านอิบราฮิต้องการจะบอกพวกเราที่อ่านคุรานวันนี้ให้เราเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนบีแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่นะเรียนซะประวัติศาสตร์นบีนัวประวัติศาสตร์นบีอิบรอฮิม ประวัติศาสตร์นบีมูซาประวัติศาสตร์นบีไอซาอัลลอฮฺเพียงครั้ได้ได้ประวัติศาสตร์และเป็นไงหรือเปล่วาว่ละกอดว่ากอดอาใจนากตโดยแน่นอนยิ่งเราได้ประทานในในคัมภีร์คุณอ่านในประวัติศาสตร์แต่ละคนแต่ละคนนั้นยิ่ครอเป็นข้อตักเตือนเป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดอัลลอฮฺอักบัด เรียนรู้เรื่องซาซามิรี่ดีไหมดีไม่อยากทําบินอาเลยกลัวแล้วเนี่ยเรียนรู้เรื่องซามิรี่อย่างเดียวเนี่ยไม่กล้าทำบินอาไม่กล้าทําชริกแล้วมีอยากอยากจะปราบปราบไปบมันจบจบไปแต่บางทีไอ้คนปราบจนหน่อยพวกไม่มีรียเด็กเพรานั่งคนเดียวคอติดทําบินอาพวกมันเยอะไม่น้อยทําชริกคนเต็มเลยไปน้องเอาขอหนุนอาต่อรอบไปนะ นี่ถามว่าเรื่องอะไรบ้างกับรีที่ผ่านมาเลยนะอัลลอฮ์ต้องการจะให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยรับทราบไปถานะเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เช่นเล่าเรื่องราวของนบีมูซาให้นบีมุฮัมมัดฟังเล่านบีอิบรอฮีมให้นบีมุฮัมมัดฟังผมได้ข้อคิดหลายอย่างนะนี่มันมีอยู่วัดหนึ่งฮัสบุลอัลลอฮ์วันเนี้มัลวากีเนี่ยว่าตอนไหน ขัสบุนัลลอฮ์วันนี้อมัมวะจีอัลลอฮ์เป็นที่อะไรนะเป็นที่พอจะเป็นที่พอเพียงสำหรับเราแล้วแล้วก็ววมอบความไว้วางใจให้แก่อัลลอฮ์องเดียวเนี่ยนบีอิบรอฮีมว่าตอนไหนว่าตอนที่ถูกจะโยนใส่ไฟยิบรีน ล, ลงมาถามว่านาบีอิบรอฮิมให้ฉันช่วยอะไรไหมเรื่อพรไม่เอาท่านจะเอาถ้าอัลลอฮ์ฉันเอาอัลฮัมดุลิลลา พอยิ้มพอยิ้มมันล้อสั่งไฟไฟเย็นเย็นแล้วก็ตายก็เยอะ น, นะวาสนามันเย็นแล้วก็ต้องสันติด้วยข้อที่หนึ่งนะนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันตอนไปนอนอยู่ในถ้ำกับท่านอบูบักรอดิยอลล้วันหนีออกคือ น, นั้นอนะ่ะฮิจร้อน่ะศนะัตรูมายือนอยู่หน้าถา้ำท่านอบูบักกายาสุร ล, ละนั่นน่ะศัตรูมาอยู่ข้างหน้าถา้าอยู่ปลายท้ายเราเนี่ย ถ้ามันก้มหน้านิดมันก็เห็นเรานาบียิ้มว่างั้นนะฮัสบุญัลลอฮ์วันนี้อัมรุวะกีนี่ประวัติอบูบากาเออเราอยู่แค่สองคนหนึ่งไม่ใช่อัลลอฮ์องค์ที่สามอยู่กับเราด้วยเอาต่อมานาบีมูซาอะลัยฮุสลามก็เหมือนกันนบีมูซาเนี่ยพอมาเจอทะเลพาพวกบันิอิสรอีมมาใช่นไหมมาเจอทะเลชาวบ้านพวกมูซาไปไหนเนี่ย พามาพามาทำไมมาเจอทะเลเนี่ยไปตรตดที่ไหนีนทะเลข้างหลังนมาแล้วฟาโร่ขับทหารอีกเทา่าไรหกแสนกว่าคนเนะี่ยอีกเจ็ดแสนกว่าคนนมาแล้วเป็นหมดฟ้าโมดินมาเลยนะแะ้บนโมซายิมแล้วพูดไงนะฮัสบุญอัลลอฮ์วันนี้อมัมมาลูวากีอัลลอฮ์สั่งเลยเอาไม้ทาฟาทะเลปา้าแห้งหมดเลยเดินข้ามยั้ไงเห็นไหม กประวัติของนบีแต่ละคนแต่ละคนทีอัลลอฮ์ดูแลช่วยเหลือเขามั่นใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยดูแลเขาจริงๆเราก็เหมือนกันวันนี้อยู่บนโลกดุนยาไปนี่ปัญหามีมีกับทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยดูแลเราปกป้องเราช่วยเหลือเรารอดไหมรอดครั บ, รบแล้วเมวื่อวานผมอ่านพบวาเลดเป็นแม่ทัพของมุสลิมยุคของเบีมุฮัมมัดเนี่ย ท่านวะลิคอริศบินบินบินบิ น, บนวะลิเป็นเด็กหนุม่มเด็กหนุม่มอายุสิบเจ็สปเป็นแม่ทัพมาพาสราบานะบีไปทําสงครามที่ยาฮมุกศัตรูนะมากูไปหลายพันนะ่ะแต่สราบานะบีไปกันไม่กี่คนนะ่ะสราบานะบีคนหนึ่งพูดบอกว่าศัตรูเยอะแบบนี้ที่พึ่งของเราคือภูเขาเป็นหลบที่ภูเขาท่านคอลิศ พี่นุ้ดร้องไห้อฉันมอบชีวิตของฉันไว้กับ Allah ฮาซบุนัลลอฮ์วันนี้มันยังดฉันมอบไปกับ Allah ชนะมันอยู่ที่ใจว่าใจเราอยู่อยู่อยู่กับใครอ่ะเพรแคะนั้นวันนี้นะล l l a h ทดสอบเราทุกครอบครัวมีปัญหาหมดแต่ปัญหาแต่ละอย่าง น, น่ะแก้ได้ไหมแก้ได้ถ้าไม่พึ่ง Allah เองแก้เองถ้าพึ่ง Allah ฉันแก้ให้มันอยู่ที่ตัวเราว่าจะเอาวันโลกเราจะเอาวัน Allah ถ้าเอาอันเราอันเราแก้ให้นะครับเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไรนะอายาที่เก้าอายาที่ร0อยหนึ่งครับมีอีกนิดหนึ่งนะนบีสอนอย่างนี้นะครับตัอสิอธิบายดีนะอธิบายบอกว่ามังกาณติดุนยานียะตาหูผู้ใดที่ยึดเอาโลกดุนยาเป็นเป้าหมายของชีวิตอย่าลืมนะเรานี่เป็นคนสองโลกนะ โลกดุนยากับโลกอาคีรอนี่นบีพูดนะใครที่ยึดเอาโลกดุนยามาถึงเงินชื่อเสียงเกิติยศตำแหน่งสียรายการนี่เป็นตัวแทนของโลกดุนยาใครที่ทำอะไรก็ตามแต่นะต้องการแค่สียรายการไม่ได้หนึ่งก็ได้สองไม่สองก็สามมากก4เอาสีรายการนี่เลยไปน้อง ใครที่ยึดเอาโลกดุนยาเป็นเป้าหมายของชีวิตอัลลอฮ์จะแยกเอาความสงบและความศพออกจากหัวใจของเขาจะแยกออกเลยแล้วจะดึงออกด้วยน้องเอาอะไรมาแทนด้วน้องเอาความกลัวเอาความยากจนเอาความอยากสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้ในใจของเขาแทนอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละนี่นบีพูดทาได้ไหมอ้าต่อมาเอก ว่ามังค์ะนัติลอะคริรตินียะตะหูจามะอัลลอฮูอัมโรวาาะวะจักรอัลกินาหูฟิคบผู้ใดที่ยืดเอลัลลอฮ์อะคริรับเป็นเป้าหมายของของชีวิตทุยืดอัลลอฮ์เนี่ยนะแล้วยึดโลกอาคริรับเป็นเป้าหมายของชีวิตอลัลลอฮ์จะทรงทําให้หัวใจของเขาพบแต่ความสงบพบแต่ความสุขและพระองค์ก็จะรักษาหัวใจของเขาไม่ให้ละโมบไม่ให้อยากได้ของดุนยานี้ ปกป้องไปเล ย, เลยไอ้เล่โบแค่บ้านหลังนึงอาะรอให้อยู่แล้วปัๆไอ้ใหญ่ๆกว่านี้น่ะใจเราไม่อยากได้อยากได้เป็นนายกมั้งเนีเอาไปออบจมั้งก็ทำอะไรเหนื่อยอะ่ะถูกด่าด้วยเละเลยไปน้องนี่มีโอกาสได้มานาม า, มาที่มัสยิดอัลฮัมจัดดิษอย่างนี้เอาลกขึ้นนาม า, ต, าตัดฮัดยุทเอาอัลฮัมดุลิลลาฮุดุลลาเดกับพระเอา ใจมันอยากจะช่วยเหลือคนท่านคนที่มุ่งเพื่ออัลลอฮ์ทำงานเถื่อโลกอาคิรออัลลอฮ์จะเอาเนี่ยความสุขความสงบสูขข้ามมาทดแทนทำอะไรอร่อยหมดเลยบนหน้าบนโลกดุญยยาไป น, นี้ทำเพื่ออัลลอฮ์และดุญยาเป็นไงทุกผู้น้องว่าอัตัดหุดดุญยาวาฮิยารอรีมาตุนดุญยาจะคลานมาหาเขาเองเดี๋ยวผู้หญิงมาแล้วจ ะ, จะแต่งงานกับบางบางเอาอยัางไง เราไม่ได้นึกมาก่อนนี่พี่ฉันหนูเหงาอยู่กูเรียวแต่งงานบีนเอามาไม่ได้นึกน่ะมาละดุนยามาเลยนะขอฝากไว้ด้วยเอาอายะที่หนึ่งร้อยครับมัณฑาระบอันหูฟะจินนหูยฮ์มิลุยฮมัลกิยามติวิซรอ มันอาราบะ عنه فإنّه يحمل يوم ิ ل ق ي ا م ة بذرة อัลลอฮฺอายานี้ดีครับพี่น้องทีนี้อัลลอบอกกับนบีในฐานะนี่นันเล่านะประวัติของนบีก่อนๆที่ผ่านมาให้นบีมุฮัมมัดฟังเพื่อให้อิมานมันเพิ่มขึ้นเป็นการปลอบอกปลอบใจท่านนาบีนันอัลลอสอนต่อไปอีก คนีอ่านคุณอานนะมันอ้ารอบอใครที่หันห่างหรือหันหลังไม่สนใจใครก็ตามที่อยู่บนโลกดุาายนยาใบนี้ที่อ่านกุณอานเล่มนี้วันนี้ถ้าเขาเนี่ยออกห่างอ้ารอบอแปลว่าออกห่างอ้รอบอแปลว่าหันห่างอ้ารอบอแปลว่าหันหลังไม่สนใจใครที่ไม่สนใจอัลกรุรอานเราจะเข้าถึงเราแล้ว คนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานคําว่าหันหลังให้อัลกุรอานอธิบายเยอะนะคุณ น, น้องอุลมามะอธิบายอย่างนี้หนึ่งปฏเิเสธอัลกุรอานเลยไม่แต่อัลกุรอานเลยอีกคนหนึ่งอธิบายบอกว่าเป็นมุสลิมนี่แหละอ่านกุรอานแค่ฟังเสียงอย่างเดียวเรื่องความหมายไม่เอาจะกัวเป็นคณะใหม่ เอาฟังเสียงอย่างเดียวโอ้ิมามอ่านเพราะเลอกเกินปัวจวิทย์เนี่ยชั้นหนึ่งเลยแต่ความหมายไม่เอาจะเป็นคณะใหม่อันที่ 3, สามแสวงหาขนทางอยากจะเรียนทางนำที่ถูกต้องแต่ท้่กูอานเนี่ยไปเอาวัฒนธรรมของผู้ตะวันตกมาใช่ประเพณีของคนจีนมาใช่ เอาวัฒนธรรมที่ไมาจะมาจากนบีมชาชชัยนี่ก็หันหลังให้กับอัลกุรอานและหันหลังให้กับนบีมูฮัมหมัดด้วยอีกข้อหนึ่งอธิบายอย่างนี้อ่านอัลกุรอานนะครับกุรอานเนี่ยสอนให้เราคิดถึงโลกอาคีรอกุรอานนะสอนให้เรานึกถึงอัลลอฮ์องเดียวกุรอานสอนให้เรานึกถึงโลกอาคีรอมากกว่าโลกดุนยาแต่เราปฏิเสธ อ่ลญญญญโลกดุนยาดุนยาคําว่าโลกดุนยากับโลกอาคิรอดเนี่ยพี่น้องหลายคนยังคิดผิดอยู่นะคาว่าโลกอาคิรอดหมยายก็ว่าทําอะไรก็ตามทาแล้วหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นั่นเรียกว่าโลกอาคิรอดทางานที่หวังโลกดุนยาก็คือทํางานเพื่ออยากได้ปัจจัยสี่รายการนี่แหละมันมีความเสียหายมากกว่าคนที่ทํางานเพื่อโลกอาคิรอดต่างกันเยอะเลยพี่น้อง การเป็นอยู่ก็ตามกันนิสัยก็ตามกันความคิดความอ่านตามกันหมดเลยนะครับเอาทีนี้เป็นยังไงครับคนที่หันหลังให้กับกุณอ่านหันหลังให้กับซุนานะนบีนะฟาอินนะหูแท้จริงนะครับยัชมีลูเขาจะแบกจะ่าลืนนะแบกเนะี่ยหนักหนักหรือเบาหนักนะของหนักทั้งหมดนะเขาจะแบก แบกแ้วครับเยาวมันเตียมะในวันเตียมะวิโรหมายถึงของหนักเขาจะต้องแบกของหนักในโลกอาครีรอพี่น้องแบกบของหนักอธิบายยังไงแบบบาปคนที่หันหลังให้กับอัลกรุรอานนี่พี่น้องครับนั่นคือบาปใหญ่ที่สุดแําทชั่วก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ห้าม กินเหล้าก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามดีน่าก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ว่าอะไรนี่น่ยทะเลาะกับญาติพี่น้องเรื่องมรดกเล็กๆ น, น้อยๆทะเลาะกันไปหมดเลยนะคนที่อ่านกุณอ่านเข้าใจกุณอ่านเขาไม่ทะเลาะกะับใครไหนไปเนาะเขาจะสงสารเมตตาเขาดูอย่างเดียก ว, ว่าในหมู่บ้านเราอยาให้มีชีริต ก, กับบินอา่ า, านั้นแหละอยาให้มีของชั่วยๆอยู่ในหมู่บ้านแต่ถ้าหาันหลังอ่านคุณอ่านโบร่ณคัพพี่น้องตัวเองก็ไม่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักสุนนะนบี คนนี้จะแบกของหนักในโลกอาคีร์หนักมากนะนี่คุณอ่านสัง่งนะยเปน้องมันรอบอันหูผู้ใดที่หันหลังให้กับอัลกุรอานฟาอินนหูยะฮ์มิลุยามัลติยามาติวิซรอแท้จริงเขาจะแบกของหนักหมายถึงความชั่วและบาปของเขาเองอิสมันภาษาตะวันอิสมันแบบบาป คนไม่รู้จักอัลลอฮ์นายไปน้องหรืออะไรล่ะมารู้จักนบีมุฮัมมัดนะ่ะอัลลอฮ์ขาดทุนยังย่อยยับเลยอัลลอฮ์อัลบารในวันฟื้นคืนชีพนะครับเอาวต่อมาอายาที่จะใดยาที่ท่หนึ่งร้อยหนึ่งคอลิดีนาฟีวะซาอัลฮุมยามัลกิยามัติฮิมลา ข้า ว, า, าวิสรเนี่ยหมายถึงของหนักก็คือตกไปอยู่ในนรกยหันน n a อ่าเที่นี้อยู่กี่วันครับขาลิดีนาฟีฮิเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกานไม่ตายแล้ววะซาอะลาหุม และของหนักนั้นเป็นความชั่วแท้แท้สะอาเป็นความชั่วแท้แทของหนักที่คุณแบกไว้คือไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอ์ไม่เอารอซูลไม่เอากุรานเนี่ยคุณแบกของหนักเอาไว้เป็นของความชั่วแท้แทละหุมสำหรับพวกขเขาอันยังกัไม่เอากุรานไม่เอาโซน่านาบีแบกความชั่วเป็นความชั่วที่เลวที่สุดสาหรับพวกท่าน เยาวมันติยามาทีในวันฟื้นคืนชีพที่เขาจะต้องแบกต่อไปถือว่าโบราณเล่มนี้ที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยเป็นความดีข อ, องถูกต้องแล้วปฏิบัติาตามอลัลลอฮ์เชื่อฟังอลัลลอฮ์แต่คนที่หานหลังให้กูอ่านหาหลงังตูซุ น, น่านะบีอัลลอฮ์อลัลเบตเขาแบกบาปของเขาอย่างหนักอลัลลอฮ์แค่ซุน่านะบีงี่นี่แค่แค่ดื่มน้าเนี่ยะ บางคนนี่นะทางชีวิตมาดื่มไม่ได้ดื่มน้ำตามสุนานะนบีเลยเอา้าวสุนนะนบีดื่มน้ำทำไงหนึ่งจับแก้วหรือจับขันน้ำด้วยมือขวาก่อนจะดื่มน้ำไม่อ่านอะไรบิสมิลลาห์ดื่มน้ำครั้งแรกเนี่ยมาให้เกินสามอึกใครสอนอัลลอฮ์สอนผ่านนาบีมุฮัมมัดไหมแล้วก็ดื่มครั้งที่สองเนี่ยกี่อึกก็ได้แต่ห้ามหายใจ ในขณะดื่มน้ําหายใจไปดื่มน้ําไปเ น, นี่ยนบีไม่ให้ทํานักวิทยาศาสตร์มุสลิมอย่างกมวแว่เนี่ยเรียนศาสนาเดีวเรียนแพทย์ด้วยสองคนเอามาผสมประ ส, สานกันทำยุริเลดพี่น้องได้ข้อสรุปมีแพทย์มุสลิมนะั่นในโลกในโลกในโลกนี่เป็น้องกับนักวิทยาศาสตร์นั่งคุยกันผสมกันคนที่ยืนดื่มน้ําอยู่เป็นประจํากับคนที่ ดื่มน้ำครั้งแรกนี่นะครับไม่เอาโซน้านาบีไม่ใช่คืนดื่มแล้วเจ็ดแปดเก้าอึบอึบอึบๆๆๆๆๆนะเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานจะตามมาโอ้นาคิดนะแล้วก็เท้าจะบวมพอเดินทางไกลๆเท้าบวมนั่งรถกางหานใหญ่มากรุงเทพมะบวมเป่งเลยอ่ะธรรมดาไม่บวมหรอกนี่อาโทษจากการเจรจาไหม ยืนดื่มน้ําเป็นนิสัยแล้วก็ดื่มน้ําเนี่ยหายใจในะขณะดื่มน้ําแล้วก็ดื่มน้าไม่นึกถึงสุนทรนะดีเลยสามอึกแรกเนี่ยอย่าให้ถึงสามอึกแค่สองอึกพอแล้วก็ถอนหายใจทีหนึ่งป้องกันโรคตั้งหลายอย่างรวมไปถึงสุนทรนะดีอีกข้อหนึ่งคือนองนํามาวบิชาเลยนะการโรคโรคอามาพฤษให้อาบน้ําน้ำมาดแบบอาบน้ําจนยูนุป ทุกครั้งที่ท่านเป็น้องจะอาบนา้ําเนี่ยอาบน้ําไปทํางานอาบน้ํากลับจากงานแล้วก็ตใจร้อนๆเนี่ยเป็น้องทําไงสุ น, านาัขนบีอาบน้าน้มาก่อนแปรงฟันก่อนแล้วก็อาบนา้ำรู้ไหมปกป้องโรคเอามาพื่ดีที่สุดจะทำดุลิแล้วเนี่ยสุนัขนาบีเป็นน้นองท่านยาดูถูสุนานัขนบีนะครับเป็นน้องเอาต่อมาอายาที่หนึ่งร้อยสอง ร้อยหนึ่งครับย่ามายุมฟาฮุฟ <hari S 1> ิซูริวะนะชรุลมุจริมีนย่ามาอิลินซุรุกอ Allahu akbar อัานคุณอ่านนี่เรื่องจริงทั้งหมดนะยามายุมฟาฮุฟิซูริวะนะชรุลมุจลิมีนยาวมาอิลินซุรุกอ ย้ามามาถึงวันไหนวันยังมีอีกวันหนึ่งเนี่ยไก่กาอย่างเงี้ไม่ช้ากันมาถึงแล้วยุ้งฟาคูถูกเป่าฟิสซูนีในที่เป่าคนที่จะเป่าเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นมาลาอิกะชื่ออิสรอฟีลจะเป่าเป่าที่เป่า ป, ปุ๊คงจะดังกันพี่น้องเออเป่าครั้งแรกนะ่ยตายเรียบ เป่าครั้งที่สองเนี่ยฟื้นหมดเลยนี่ไงเป่าเนี่ยเป่าครั้งที่สองเนี่ยเป่าครั้งที่สองนะเ ย, ยามายุมฟาคูฟิซูรวันที่ที่เป่าจะถูกเป่าอธิบายยังไงบเบลไลกาทื่อิสรอฟีนเนี่ยจะเป่าที่เป่านะครับพอเป่าเสร็จแล้วฟื้นขึ้นหมดเป็นยังไงครับวันนะชูรุลมุดยรีมีนเราจะรวม เราจะรวมรวมใครไปน้องอัลมุเยริมีนคนบาปคนชั่วคนเลวคนที่หันหลังให้กับอัลกรุรอานหันหลังกับสุนนนาบีเอามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหมดเลยนี่เองกลุ่มนี้วันนี้อยู่รวมกันใช่ไหมคนดีกับคนชั่วอยู่บ้านหลังเดียวกันมีใช่ไหมมีสามีเป็นมุสลิมภรรยา <c oughs> เป็นอะไรเป็นพุทธ อยู่ด้การได้ ม, ไ ด, มได้มีปัญหานเนี่ยอัลลอฮสั่งแล้วทางกระพาะกุฎไม่เชื่อเดี๋ฟังระวังให้ดีแล้วดนบังคับเนี่ยเปิดอิสระคชายชายปัญญาสอนพอวันเกียมากครับอลัลลอแยกแล้วนี่มุมินนี่กาเฟตแยกชัดเจนเลยครับวันนชุรุลมุญริมินเราจะรวบรวมคนที่มีผิดคนที่บาปคนที่ทำความชั่วในพี่น้องเย้ามาอีดินในวันนั้นน่ะตา จุรกอตาเป็นสีสีฟ้านึกว่าสวยมั้ไม่ใช่กลัวตาเหลือกที่นี่เลยเลือกทำไมอะ่ะก็ตัวอยู่บนดุนยามันทิ้งศาสนาอยู่บนดุญญ น, สาสนายนญญาไม่เอาอลัลลอฮ์ไม่เอารอซูนอลัลลอ์เลือกนบีมาตั้งยี่สิบห้าท่านอลัลลอฮ์ไม่มีใครเชื่อต่อนบีสักคนหนึ่งอ่ะวันนั้นนะด้วยความกลัวด้วยความตนก ตาเป็นไงครับเย้ามาอีดินจุลกอตาสีฟ้าพี่น้องพี่น้องมันมีตาอยู่สองอย่างตาใจกับตาจริงๆนี่คนที่เอาศาสนาวันนี้เขาเรียกว่าตานะ้ตาใจเนี่ยเขาสวา่างแต่คนที่เอาโลกดุนยาอย่างเดียวเนี่ยตาใจเนี่ยมันบอดแต่นี่คนที่ตาบอดใจบอดเดี๋ดูคุณอ่านนะ วันนันอาโรดอันดิกรีฟ้อินนาลาหูมาอิชัตันดงกาวันนัู้รหูยาวัันกิยามติอาหมาผู้ใดที่หันห่างเอาตัวเองเนี่ยออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ถึงฉันฟอินนลาหูมาอัตนดองกาสำหรับพวกเขาคือชีวิตที่คับแคบเขาจะมีความทุกข์ทรมานในกูโบ บนตุ้ยาเนี่ก็เหมือนกันไปน้องคนที่มเอาบอลลอนเนี่นะแก้ปัญหาไม่ได้ไม่เห็นเหรอที่ฆ่าฆ่าฆ่ากันยิงยิงยิงกันอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันนึกอะไรไม่ออกอ่ะนี่พารานประตูฆ่าเนี่ยอะไรคนอังกฤษก็ทูกฆ่าไอ้นี่ก็ถูกฆ่าฆ่ากันทุกวันในหนังสือพิมพ์อ่ะใจมันบอดน่ะแต่พวกเราจะกล้าไหมเนี่ยจะจะฆ่าจะฆ่าคนนเนาไม่กล้าอยู่แล้วแต่ทำไมมันฆ่ากันง่ายไปน้องตาก็ประวัติตามันบอด ฉะนั้นคนที่ตาบอดใจบอดเนี่ยนะในกูโบก็ลําบากวันนะชูรุหูยาวมังเตียมาติอามาในวันเกียร์มาเราจะรวมพวกเขาในสภาพคนตาบอดเหมือนกันนี่คนตาบอดมันตาเหลือกนะมาึงกลัวแล้วโอ้โหรจะไปไหนวะฉะนั้นกูอนายานี้สอนดีครับทีนี้นคนมุสริมอธิบายยังไงครับตับเซกอธิบา ย, ยา ง, งี้มุชลิกูนคนมุสริม อลัลลอฮกูฟรีคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่ยึดเอาอัลลอฮ์สิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์ยึด ต, ตะเกียรเนี่ยพวกเราหนี้แหละพี่น้องก็ถูกเล่นงานในวันเกียร์มาด้วยเหมือนกันนะตาจะเหลืองเหมือนกันนะแต่ภาษากุณอ่านพูดพอนาะตาสีฟ้าเรเห็นผู้หญิงตาสีฟ้าสวยใช่ไหลนะ่ะผู้ชาตาสีฟ้าสวยแต่ตรงนี้มาใจสวยนะหมายถึงกลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์สุภัยตะละหมดเวลาอย่างอี้หน่อยครับ หนึ่งกว่สามยาตะคอฟตูนนับยนนฮุมอิลลาบิสตุมอิลลาอัอเวลาอัลลอฮฺเอาคนชั่วชั่วคนเล็วเร็วคนไม่เอาศาสนามาอยู่รวมกันที่ทุกขมาซะยาตะคอฟตูนพวกเขาซุบซิบกันคุยกันคุยกันค่อยค่อยยตะคอฟะตูนซุบซิบกันคุยกัน ระหว่างพวกเขาอิลลาบิสตุมพวกเขาพูดกันว่าอิลลาบิสตุมเราเนี่ยนะอยู่ในสุสานและอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอิลลาอาชรอไม่เกินสิบวันพอฟื้นขึ้นมาอยู่ในทุกมาชาัดมองกลับไปชีวิตในกูโบ มองกลับไปชีวิตในโลกดุนยารวมแล้วทั้งสองโลกนั้นไม่เกินสิบวันไม่เกินสั ป, ปดาห์ทำไมซุปซิบกันละ่ะนี่อัลลอฮ์เล่านะใครซุบซิบคนชั่วชั่วคนไม่เอาศาสนาคนไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีระซุนพอฟื้นขึ้นมาใหม่นั่งคุยกันไมกู้กดุนยาอาคิรอมไม่มีมันมีจริงๆเว้ย กูเกิดมาแล้วแวเอ็งนอนอยู่ในกุโบกี่วันวะอยู่บนดวงยากี่วันนั่งคุยกันประมาณสิบวันอาทิตย์หนึ่งแค่อาทิตย์เดียวอ่ะทําไมอ่ะทำไมทาไมคิดว่าอาทิตย์เดียวเพราะความนานของโลกอาร์เคโรความนานของโลกอะไรของทุ่งม้าชาัก น, น่ะม้าชักนั้มันเท่าไหร่ยุไหมพี่น้อง บางรายงานบอกว่าห้าหมื่นปีวันหนึ่งห้าหมื่นปีบางรายงานบอกว่าวันหนึ่งพันปีไอความนานในโลกอาคเรอทําให้มองชีวิตที่ผ่านมาอยู่ในกูโบกับชีวิตในโลกดุนยาที่ผ่านมาแค่อาทิตย์เดียวนี่คนกาเฟตมองมองมองมอะไรนะมองแบบนี้แต่ในอายาอื่นอธิบายบอกว่า คนชั่วมันมองแค่อทิตย์เดียวแต่จริงๆมันนะแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองชีวิตดุนยาที่เราอยู่นี่กับชีวิตในกูโบพอฟื้นขึ้นมาแล้วนะชีวิตดุนยากับกูโบนั้นแค่วันเดียวเท่านั้นเองหรือว่าชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองเอา้าอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้จะเอาชีวิตรวมกันทางดุนยาและในกูโบแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ย ตัดสินเราให้ไปสวรรค์ดีหรือไปนรกดีกระการอธิบายแค่นี้เองนะทั้งดุนยาทั้งชีวิตเจปีนอนอยู่ในกูโบอีก500ปียกตัวอย่างเนี่ยมองแล้วไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แต่ที่จริงนั้นแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นเอาแค่เจสปีเนี่ยตัดสินให้อยู่ในนรกหรืออยู่ในสวรรค์คิดทีดนั้น ได้แล้เปลี่ยนแปลงได้แล้วอยู่ตามที่อัลลอฮฺสั่งแหละนบีให้รูปแบบดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าชีวิตดุญญนยาในแค่นิดเดียวแค่ชั่วโมงเดียวขนาดคนที่แอนตี้อิสลามเนี่ยมองสิบวันนะคิดดูสิแต่คนที่อีหมานจริงๆเนี่ยมึงถูกหลอกอาทิตย์เดียวแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองยุคเจ็สิปีก็ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนี่ตัดสินเราจะไปสวรรค์หรือไปนรกคิดดูให้ดีจะเป็นอะไร سبحانك ALLAHumma bihamdika sholli ilah illa anta astakwirka wa tubilai وسنا ع ل ي ك و ر ه م ا تULLAH ب ر ك َ ت ُ